ก่อนสอนลูกปฏิบัติธรรมได้เล่าอธิบายให้ลูกๆฟังว่าพวกเราซึ่งเป็นคาราวาสต้องเริ่มต้นที่ทานก่อนศีลสมาธิและปัญญาพ่อสามารถสอนลูกๆได้แค่สามอย่างคือสอนเรื่องทานศีล ส, สมาธิส่วนในเรื่องของปัญญาลูกๆจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อลูกปฏิบัติธรรมได้แล้วพ่อรู้แทนให้ไม่ได้ แต่พ่อจะช่วยลูกๆเราจะปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวันพ่อขอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งลูกๆของพ่อไปไหนก่อนที่พ่อตายเราจะเริ่มปฏิบัติธรรมกันหลังจากที่ลูกๆทากันบ้านเสร็จกินข้าวอาบน้ําเรียบร้อยแล้วเราจะร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันทุกคืนพ่อจะพยายามอย่างเต็มที่ พ่อจะช่วยลูกๆของพ่อให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกให้จงได้พ่อขอให้สัญญาตามที่ผมได้รู้ถึงอนิสงของศีลห้ามาแล้วเป็นอย่างดีจึงได้ให้เด็กๆตั้งใจรับศีลห้าในตอนเช้าทุกเช้าก่อนใส่บาตเพราะเป็นบาทฐานที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาเพราะ ศีลจะช่วยไม่ให้เกิดนิวรณต่างๆได้ง่ายผู้ใดก็ตามที่มีศีลไม่ครบหรือหากว่าครบแต่ไม่เป็นศีลที่บริสุทธิ์การปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยจะได้ผลคือจิตรวมได้ยากมักจะฟุง้งหรือไม่มีความก้าวหน้าเลยและการปฏิบัติอาจจะถอยหลังด้วยซ้ำไปเพราะผู้ที่ขาดศีลความประพฤติก็ไม่ดีจิตว้าวุ่น คิดกังบนในเรื่องไม่ดีที่ตนทำนี่คือนิวรณ์ตัวหนึ่งความจำในพระธรรมก็จะไม่ดีเมื่อปริยัดไม่ดีก็ทำให้การปฏิบัติไม่ได้ผลในช่วงนั้นมีหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า Men in Black ผมกับลูกๆได้ดูทีวีพร้อมกันที่บ้านเมื่อหนังจบพวกเราก็ขึ้นไปสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันตามปกติ วันนั้นผมได้ความคิดจากหนังเรื่องนี้มาสอนลูกคือมีอยู่ตอนหนึ่งที่มีศพชายสูงอายุถูกผู้รายฆ่าตายศพอยู่ในห้องนิติเวชเมื่อพระเอกทั้งสองคนไปเปิดหน้ากากของศพก็ได้พบมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กนิดเดียวสูงประมาณ6นิ้วนั่งอยู่บนเก้าอี้ในหัวของหุ่นมนุษย์มีคันบังคับเต็มไปหมดเพื่อใช้ควบคุมบังคับให้หุ่นมนุษย์ ทำตามที่มันต้องการผมจึงได้นําความคิดนี้มาสอนลูกในเรื่องการเจริญสติในขณะที่ลูกๆไปโรงเรียนในตอนกลางวันเพื่อให้พวกเขาได้หัดฝึกสำรวมสังบอลอินทรีย์ในอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยให้ลูกๆคิดว่าตัวเองเป็นเสมือนมนุษย์ต่างดาวนั้น นั่งคุมหุ่นกายของเด ICK ็ก เ, เองให้คอยระวังเวลาจะกินเดินหิวปวดฉี่หรือโกรธโมโหจะทำร้ายใครก็ให้โยกคันบังคับในหัวหุ่นร่างกายของพวกเขาก่อนและพวกเขาจึงจะทำได้ตามต้องการ <Aber Started> ที่ให้ลูกๆทำเ <AG? S 1> ช่นนั้นเพื่อให้พวกเขาคิดก่อนทำ ได้ฝึกเจริญสติไว้ให้บ่อยและมากเท่าที่จะทำได้จะทำให้พวกเขาคอยระวังสังวรควบคุมสติตัวเองอยู่ด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำให้เขาได้รู้ตัวก่อนทำก่อนสวดมนต์เย็นก่อนนอนก็จะถามถึงการบ้านที่มอบให้ลูกๆไปทำในบางครั้งอาจถามว่าวันนี้ หุ่ม hmm. นุษย์ของลูกถูกครูตีหรือเปล่าถูกเพื่อนแกล้งไหมการให้พวกเขาได้ฝึกสติสํารวมอินทรีย์ในตอนกลางวันซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่จะนั่งสมาธิในเวลากลางคืนเพราะสติยิ่งมียิ่งมากยิ่งดีการเจริญสมาธิจะทําได้ง่ายกว่ามากผลของการเจริญสติ ดูหุ่นมนุษย์คือกายของตัวเขาเองทำให้ลูกๆ 1. พยายามระมัดระวังไม่ให้ทำอะไรผิดศีลท่าในแต่ละวันเช่นไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนรังแกสัตว์ก็จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงดีเพราะไม่ได้สร้างเหตุที่จะมีผลทำให้ต้องเจ็บป่วยในอนาคตไม่เสียเงินต้องทำประกันชีวิตในเรื่องค่ารักษาพยาบาล 2. ให้เจริญสติโดยพยายามสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยระวังไม่ให้ผิดศีลห้าทำให้ผลการเรียนออกมาดีเยี่ยมเพราะตาคอยดูที่ครูเขียนหูคอยฟังเสียงครูสอนสามารถเข้าใจบทเรียนได้โดยทันทีไม่ต้องเรียนพิเศษเพิ่มอีกในวันหยุดนอกจาก อยากจะเรียนเพิ่มเสริมความรู้สามให้สำรวมการใช้ปัจจัยสี่สามารถช่วยในเรื่องความพอเพียงสันโดษในเรื่องของการกินการใช้สิ่งของจะนุ่งห่มใส่เสื้อผ้าก็พอสมควรลูกสาวคนเล็กมักจะบอกกับแม่ของเขาว่าจะใช้เสื้อผ้าต่อจากพี่สาวของเขาได้แม่ไม่ต้องซื้อให้เขาหรอก ส่วนคนพี่ก็จะขอใช้ต่อจากแม่ได้บางครั้งเวลาไปห้างแม่แทบจะต้องบังคับให้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่บ้างโทรศัพท์มือถือก็ไม่ยอมใช้บอกว่าไม่จําเป็นไม่เห็นจะต้องพูดคุยอะไรมากมายมีเรื่องอะไรก็ให้คุณครูโทรบอกพ่อก็ได้ 4. ได้สอนให้ทําหน้าที่ลูกที่ดีพวกเขาได้พูดว่า ลูกจะตั้งใจเรียนเป็นนักเรียนที่ดีมีความขยันเมื่อเรียนจบจะได้งานดีจะได้มีเงินทำบุญจะได้ไม่ต้องไม่ขอใครเวลาอยากทำบุญมีงานที่ดีทำสามารถจะเลือกได้เองก็จะมีเวลาว่างพอไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้ลูกคนไหนมีเงินมากกว่าก็ให้เลี้ยงดูอีกคนหนึ่งไม่ให้ทิ้งกันต้องคอยช่วยเหลือกัน เวลาไปวัดก็จะไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เด็กๆ เ, เอาเงินมาเก็บรวมกันไว้เป็นสองกระปุกอันหนึ่งเอาไว้ใช้ใจ่ายทั่วไปเช่นซื้อหนังสือที่ชอบอี ก, กระปุกหนึ่งเอาไว้ทำบุญร่วมกับพ่อสอนให้เจริญมรณานุสติไว้เป็นอารมณ์เสมอๆช่วยเรื่องความไม่ประมาทให้เด็กๆได้ดีมาก กอนนั่งสมาธิหลังสวดมนต์พยายามพูดสอนคือน้อมอารมณ์ก่อนนั่งสมาธิให้พวกเขาคิดเรื่องความตายไว้อยู่เสมอเช่นพรุ่งนี้เวลาลูกๆ ก, กลับจากโรงเรียนอาจจะไม่ได้เจอพ่ออีกแล้วพ่ออาจจะตายในวันนั้นก็ได้อาจจะประสบอุบัติเหตุตายขณะขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนเด็กๆอาจจะต้องสวดมนต์กันเองนะ ขอให้พี่เป็นคนนำน้องปฏิบัติธรรมตามที่พ่อได้สอนมาแล้วพ่อขอให้เด็กๆทำต่อไปจนตายอย่าได้ทิ้งการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากพ่อมีโอกาสกลับบ้านวันนั้นก็จะมาสอนต่อให้ดังนั้นขอให้ลูกๆจงมีความเพียรขยนันขยานมากๆ เ, เร่งเงเข้าเวลาพ่อเหลือน้อยแล้วถ้าพ่อตายจะไม่มีคนสอนนะ สอนให้ลูกๆทำใจแบบนักรบคือผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีใจกระหารมุ่งมัน่นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามปลุกเล้าใจลูกๆให้มีหัวใจของนักรบเพราะการที่พวกเขาจะสู้กับกิเลส ท, ที่มันได้ดึงให้พวกเขาเปลี่ยนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ทัวนแล้วมันไม่ใช่กิเลสธรรมดา อย่าได้คิดไปดูถูกสัตว์ตัวฉกาศนี้เลยและหากพวกเราคิดจะต่อกอนกับพวกมันแล้วก็ต้องมีหัวใจระดับนักรบคือตายเป็นตายถึงจะเอามันอยู่ได้บ้างโดยใช้อุบายสอนลูกๆให้เป็นดังนักรบศึกบางระจันคือพวกเขาได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้เห็นนักรบค่ายบางระจันกำดาบสองมือกำขวาน ขี่ควายวิ่งเข้าตะลุยไปสู้กับพวกพมา่าและต้องทําตัวเป็นทัพด่านหน้าปกป้องแผ่นดินก่อนที่ข้าศึกมันจะบุกเข้ากรุงสยอยุทธยาไม่ให้มันผ่านด่านของพวกเราไปได้แต่ถ้าใจพวกเราเป็นดังเช่นนางสนมหรือกุนนางบางคนในกรุงสยอยุทธยาพอทหารจะยิงปืนใหญ่สักทียังบ่นว่าหนกหูห้ามยิง พวกพ่อแม่ถึงได้เข้าทำลายกรุงเสียอุทยาได้ตรงอย่างรับคาบจึงได้บอกให้ลูกๆจงทำใจให้เป็นนักรบปังระจันและตรัสใดที่ลูกๆยังมีชีวิตอยู่อย่าได้ยอมแพ้ต่อกิเลสต้องพยายามสู้กับมันไปอย่าได้ท้อถอยอย่างเด็ดขาดในที่สุดลูกคนเล็กก็อายุครบเจ็ดขวบ จึงสอนลูกนั่งสมาธิวันเวลาที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแม่ของเขาได้จัดงานเล็กๆที่บ้านมีเพื่อนบ้านมาทานข้าวเย็นด้วยมีเค้กก้อนเล็กๆมินได้เป่าเค้กวันเกิดครบเจ็ดขวบในคืนวันนั้นพวกเราก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนตามปกติแต่คืนวันนี้ผมได้บอกพวกเขาว่าจะเริ่มสอนลูกนั่งสมาธิเป็นวันแรก หลังจากสวดมนต์ก็สอนให้พวกเขานั่งในท่าขัดสมาธิธรรมดาไม่ใช่ขัดสมาธิเพชรเพราะกลัวว่าพวกเขาจะเจ็บและเข็ดขยาบไม่ประทับใจในครั้งแรกและไม่อยากนั่งสมาธิอีกต่อไปเลย7วันแรกให้นั่งสมาธิแบบลืมตาแล้วออกเสียงตามพ่อพุทธพร้อมลมหายใจเข้า โทรพร้อมลมหายใจออกพวกเราออกเสียงพร้อมกันทำอยู่ประมาณ5นาทีก็บอกว่าพอแค่นี้สำหรับวันนี้พวกเราก็ทำเช่นนี้ทุกวันสัปดาห์ที่สพวกเราต้องหลับตาแล้วก็ออกเสียงพุทธโทรเช่นเดิมเราออกเสียงพร้อมกันทาอยู่ประมาณ5นาทีก็ให้พวกเขาพอ พวกเราก็ทำพร้อมกันเช่นนี้อีก7วันมันดูเหมือนว่าพวกเขาสนุกแนละบอกว่าง่ายจังอยากทำต่ออีกหลับตาแล้วสบายดีแต่ผมอยากให้พวกเขาหยุดทำทั้งที่ทอยากทำต่อซึ่งเป็นอุปายอย่างหนึ่งสัปดาห์ที่3คราวนี้ให้นั่งสมาธิแบบหลับตากาหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมเสียงพุทธโธแต่ห้ามออกเสียงให้กำหนดพุดทธโธไว้ในใจผมจับเวลาประมาณสิบนาทีโดยไม่ได้นั่งหลับตากับเด็กๆแต่คอยมองพวกเขาอยู่เงียบๆสัปดาห์ที่สี่ในวันนี้เริ่มพูดอธิบายวิธีการให้พวกเขาเข้าใจก่อนนั่งสมาธิคือได้อธิบายว่าวันนี้ พวกเราจะนั่งสมาธิโดยหลับตากําหนดพุทธโธไว้ในใจไม่ให้มีเสียงออกมาแต่ให้พวกเขาคอยระวังดูว่าคําบริกรรมพุทโธเริ่มหายไปตอนไหนเมื่อเริ่มรู้สึกได้ว่าคําบริกรรมหายไปให้ยกมือขึ้นแล้วก็นั่งต่อไปผมไม่ได้นั่งสมาธิพร้อมกับพวกเขาแต่นั่งคอยดูว่า ลูกจะยกมือเมื่อใดนั่งจับเวลาที่นาฬิกาตามเดิมประมาณ12นาทีลูกคนโตยกมือขึ้นก่อนและนั่งสมาธิต่อไปหลังจากนั้นอีกสมนาทีคนเล็กก็ยกมือขึ้นผมจึงบอกให้พอแค่นั้นสำหรับวันนี้การฝึกนั่งเช่นนี้ในเจ็ดวันนั้นบางวัน เด็กก็ยกมือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิมบางวันก็ช้ากว่าเวลาเดิมบ้างเล็กน้อยไม่เกิน5นาทีแต่พอจะครบ7วันพวกเขาสามารถยกมือได้ไม่ถึง10นาทีซึ่งนับว่าเร็วมากสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ดังนั้นการสอนเด็กนั่งสมาธิจะง่ายกว่าผู้ใหญ่มากหลายเท่าตัวเริ่มสัปดาห์แรกของเดือนต่อมา วันแรกในเดือนต่อมาผมได้นำอสุภสติกรรมฐานมาให้พวกเขาได้ทดลองปฏิบัติดูเพราะตั้งใจไว้ตั้งแต่เล่าเรื่องนางปตาจาราให้พวกเขาฟังในวันนั้นแล้วรู้ได้เลยว่านี่แหละคือยาขนานที่ถูกโรคของพวกเขาแน่หากได้กินยานี้รับรองว่าจะต้องหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้เร็วกว่ายาขนานอื่น ด้วยการที่ผมไม่สามารถรู้ถึงจิตพวกเขาจึงได้ใช้วิธีถามพวกเขาว่าลูกๆรักใครมากที่สุดในบ้านนี้รักแม่รักพ่อรักย่ารักยายรักพี่เลี้ยงหรือรักป้าเนาหรือรักไอ้จอร์ไอ้เหมียวเล็กคำตอบที่ได้จากลูกคนโตรักพ่อมากที่สุดมิ้นท์ละรักใครมากที่สุด แลกพ่อเหมือนพี่เมย์หมิ้นตอบหลังจากได้รู้คำตอบแล้วว่าพวกเขารักและผูกพันใครมากที่สุดจึงได้เล่าถึงวิธีที่จะปฏิบัติในคืนนั้นให้พวกเขาได้ฟังว่าหลังจากคำบริกรรมหายไปขอให้ลูกทั้งสองคนนึกภาพพ่อเป็นศพนอนตายต่อหน้าลูกและให้น้อมใจคิดว่าพ่อตายแล้ว พ่อจะมาสอนกันบ้านลูกไม่ได้อีกแล้วจะไม่ได้กินข้าวเย็นร่วมกันอีกจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันจะไม่ได้เล่านิทานให้ฟังอีกแล้วพวกลูกจะต้องอยู่กันตามลำพังชาตินี้ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะเอาล่ะเข้าใจแล้วนะลงมือนั่งสมาธิและน้อมใจนึกตามที่บอกหลังจากคำบริกรรมหายไป หลับตานั่งสมาธิได้เมื่อนึกภาพเสร็จก็ให้ลืมตาได้ผมนั่งเงียบคอยดูผลจากการให้อารมณ์กรรมาฐานครั้งแรกนี้เวลาผ่านไปเกือบยี่สิบนาทีลูกคนโตลืมตาขึ้นก่อนผมยกนิ้วขึ้นจุก ป, ปาก บ, บอกห้ามออกเสียงรอน้องเดียวอีกไม่นานเกินหนาทีคนเล็กก็ลืมตา คราวนี้แหละลูกคนโตเริ่มอธิบายสิ่งที่เขาได้เห็นในสมาธิของเขาเป็นชุดไม่หยุดเลยพ่อศพพ่อบวมอืดมีน้ำสีดำๆไหลออกมาที่พื้นใต้ตัวพ่อหน้าตาศพพ่อหน้าเกลียดไม่เหมือนตอนนี้เมยับไม่ได้เลยพอดูต่อไปแล้วศพมันก็แฟบลงจนกระทั่ง ศพพ่อผอมเป็นหนังติดกระดูกแล้วก็เป็นผงไปเลยเม่ก็เลยออกมาลูกคนเล็กเล่าบ้างพ่อศพพ่อท้องขาดเห็นกระดูกในท้องพ่อเลยมีหนอนเต็มตัวในท้องพ่อเลยในตาและแก้มของพ่อก็มีหนอนเต็มไปหมดมันกินเนื้อของศพพ่อใหญ่เลยพอกินไปได้สักพักหนึ่ง ก็มีไฟลุกขึ้นบนศพพ่อเผาศพพ่อจนหมดเลยแค่นี้แหละพ่อผมรู้สึกตกใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกไม่นึกว่าการพิจารณอาอสุภาที่ให้พวกเขาครั้งแรกจะได้ผลออกมาเช่นนี้และสิ่งที่พวกเขาเล่าให้ฟังเหมือนกับที่พระอาจารย์ต่างๆได้เขียนไว้ในหนังสือเลยจึงรู้ว่า กเขาปฏิบัติไม่ผิดแน่ถึงแม้มันจะไม่เหมือนกับนิมิตที่ผมเคยเห็นก็ตามและในสัปดาห์นั้นการพิจารณาก็เห็นนิมิตคล้ายๆที่พวกเขาเห็นทุกครั้งแต่พวกเขาเล่าว่าไม่เหมือนเดิมไม่ซ้ำเลยสักวันเช่นบางครั้งเห็นศพพ่อตอนปัจจุบันบ้างบางครั้งก็เห็นศพพ่อตอนพ่อหัวล้าน ไม่มีผมมากเหมือนตอนนี้และก็ผมสีขาวทั้งหัวด้วยทุกวันนี้ติกต๊กจะชาร์จแบตเตอรี่พวกเรามักจะใช้สัพท์ฝรั่งคำนี้ในการเรียกกันนั่งสมาธิก่อนพิจารณาโดยการเจริญพุทธพร้อมลมเข้าโทลมออกแล้วจึงเริ่มจินตามายะปัญญาน้อมใจมาคิดพิจารณาขันท่าของผู้อันเป็นที่รัก คือศพพ่อของพวกเขาเมื่อกำลังของสมาธิดีตั้งมั่นดีจิตรวมเป็นหนึ่งผลที่ออกมาก็ดีมากพวกเขาสามารถพิจารณาศพพ่อที่เป็นนิมิตเปลี่ยนสภาพให้เด็กๆได้ดูจนกระทั่งจบซึ่งแต่ละคนจบไม่เหมือนกันและก็ได้พยายามบอกให้พวกเขาดูให้ละเอียดอย่ารีบออกมาจากการพิจารณา จนกว่าจะจบด้วยปัญญาที่รู้ว่าสิ่งที่พิจารณาอยู่นั้นเป็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาส่วนมากเด็กๆมักจะได้รับรู้ว่ามันเป็นทุกข์แปรปรวนต้องแตกสลายไปเช่นนี้โดยพระอาจารย์ของพวกเรา อยู่ที่วัดเบรุวัน อ, อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นประธานสงฆ์ที่วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีน้ามอนคือรุ่นน้องที่ทำงานได้ชักชวนพวกเรามาวัดนี้เมื่อเกือบสามปีมาแล้วแต่พระอาจารย์ท่านจะมาที่วัดป่ามณีการนี้บ่อยเพราะท่านกำลังสร้างศาลาอนเนกประสงค์เพื่อได้ใช้ปฏิบัติธรรม เป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจานวนมากๆได้จะได้ช่วยเด็กๆเยาวชนที่กาลังเติบโตเป็นกาลังของชาติที่สำคัญต่อไปพวกเราเองก็ชอบไปวัดป่ามณีการกันเสมอเมื่อว่างลูกสาวทั้งสองคนชอบไปวัดพวกเขาบอกว่ามีความสุขและสนุกมากเมื่อได้ไปคุยกับพระอาจารย์สาคร พวกเรามีเวลาไปสวดมนต์วันเสาร์เย็นบ้างไปใส่บาตรเช้าวันอาทิตย์บ้างหากมีการบ้านเด็กไม่เยอะและไม่ติดงานไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดหลังจากพระอาจารย์ท่านฉันเช้าแล้วพวกเด็กๆ ก, ก็ได้พูดคุยกับท่านอย่างสนุกสนานท่านเข้ากับเด็กๆได้ดีมากพระอาจารย์ได้สอนให้พวกเขาได้ปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และนอกจากพระอาจารย์สาครแล้วก็ยังมีพระสงฆ์ที่ท่านสามารถสอนเด็กๆได้อีกหลายรูปเช่นพระอาจารย์อัมนวยกูบากิจและทุกท่านก็คงจะได้เจอพวกเราได้ที่วัดนี้สรุปผลของการที่เด็กๆได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมผลที่ได้ออกมาจากการเจริญสตินี้นอกจากการเตรียมใจ สังวรระวังไม่ให้ผิดศีลห้าแล้วได้ส่งผลไปถึงการเรียนที่ออกมาดีเยี่ยมการประกวดการแข่งขันก็มักจะได้ผลชนะเลิศพวกเขามักจะได้รับเลือกจากคุณครูให้เป็นตัวแทนแม้ในการต้อนรับคุณครูชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนและมักจะได้เป็นหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียนเสมอ แต่พวกเขาก็ยังคงความเป็นเด็กๆตามธรรมชาติในสายตาของคนทั่วๆไปแต่อาจจะดูสุ ข, ขุมและจริงจังกว่าเด็กธรรมดานิดหน่อยคืออาจจะดูคล้ายที่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในท่าทีภรรยาของผมยิ้มแก้มแทบปริเมื่อได้เห็นผลการเรียนหรือเวลาได้อ่านคำชมของคุณครูในสมุดพบตอนสิ้นเทอม เพราะลูกๆที่ปฏิบัติธรรมนั้นนําแต่ความสุขมาให้ตลอดบางครั้งหลังกลับจากปีนก็มานั่งชื่นชมลูกๆให้ผมฟังอยู่เสมอๆว่ามีความสุขมากจากที่ลูกทั้งสองคนนํามาให้การที่เป็นเช่นนี้จะมาหาว่าผู้ปฏิบัติธรรมคลั่งครื้ล้าสมัยเห็นจะไม่ได้เป็นดังนั้นเสียแล้ว กลับกลายไปว่าเด็กๆที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวอยู่เสมอต่างหากและยังได้เป็นผู้นำเพื่อนๆ เ, เข้าวัดอีกด้วยเพราะพวกพ่อแม่ของเพื่อนๆลูกต่างก็พากันมาถามวิธีการเรียนการวางแผนทํางานทํากันบ้านกิจวัตรประจําวันของเด็กๆจากผมและลูกๆเองก็จะให้คําแนะนํากลับไปว่า เป็นเพราะการมีสมาธิเวลาเรียนการสวดมนต์แด้นั่งสมาธิก่อนนอนมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนให้ผมพาลูกเขาไปวัดบ้างซึ่งถ้าหากสาราปฏิบัติธรรมเอเนกประสงค์หลังนี้ได้สร้างเสร็จก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะค่อนข้างใกล้อยู่ชานเมืองขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าก็ถึงพระอาจารย์ก็มีเมตตา ม, มาก ได้อบรมสั่งสอนเด็กๆเพื่อนของลูกสอนนั่งสมาธิและเจริญสติสอนให้มีคุณธรรมและศีลธรรมนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆ